เสียงของเขาเคร่งขรึมจริงจังผิดไปคณะนายจ้างทั้งสามหันมามองดูหน้ากันหม่อมราชวงศ์หญิงดาลินหน้าตื่นขึ้นในบัตรนั้นกอดอกหอไรเอ๊ะคุณพูดเป็นนายยังไงชกพิกลฟังแล้วชะขนลุกอธิบายชัดๆหน่อยสิมันหมายถึงอะไรเอ๊นายพรานนี่พิรึกจริงเชียวยิ่งใกล้จะออกเดินทางก็ยิ่งพูดให้ใจไม่ดี สิ่งที่ผิดปกติวิกฤวิกาที่คุณว่านะมันคืออะไรระพินหัวเราะหึ่หึสีหน้ากล้านเกรียมของเขาดูเป็นเงาสรัวยากที่จะอ่านออกในแสงรางรางของตะเกียงรั้วซึ่งจุดไว้ใครบอกว่าผมพูดให้ใจไม่ดีครับผมพูดเพื่อให้เตือนสติไว้ก่อนถ้าหากป่าที่เราจะบุกบั่นเข้าไปเป็นป่าที่สูงที่สุดเต็มไปด้วยสรพพอันตรายนานาชนิด รวมทั้งสิ่งที่เราอาจไม่คาดฝันว่าจะได้พบเห็นชีวิตที่คลุกคลีหากินอยู่ในป่ามานานของผมทำให้ผมพอจะได้เรียนรู้กับมันมาบ้างพอสมควรผมเองก็เคยผ่านโรคที่ถือกันว่าเจริญที่สุดมาแล้ววิทยา ศ, าศาสตร์ผมก็เรียนมาพอจะรู้ความหมายของมันแต่ทฤษฎีของโลกเจริญเหล่านั้นมันไม่แน่ว่าจะนำมาใช้ได้ตัดสินความในป่าได้เสมอไปนัก บางขณะมันก็ค้านการชนิดหน้ามือเป็นหลังมือแต่ผมมีความเชื่อมั่นว่าพวกคุณลงได้ตั้งใจแน่วแน่ที่จะเดินทางโดยไม่คำนึงถึงอะไรแม้แต่ชีวิตแล้วเช่นนี้อะไรทั้งหลายแหละมันก็เป็นเรื่องเล็กไปหมดผมเข้าใจความหมายของคุณกระพินเชิฐาพูดขึ้นต่ำๆยิ้มอย่างเยือกเย็นขณะที่เอื้อมมือมาตบไหล่จอม่าน ผมกับชายยันก็ถือหลักเดียวกันกับคุณ น, นั่นแหละคือสติสัมปชัญญะและปืนในมือเราไม่หว่นในการจ ะ, ระเผชิญกับอะไรทั้งสิ้นภายใต้การนำของคุณเอาละดึกมากแล้วเรานอนกันเถอะก่อนที่ฟ้าจะสางเล็กน้อยขอบวนการเดินทางก็พร้อมเกวียนทั้งหมดมีจำนวน8คันแต่ละคันมีคนคุมหรืออีกนายหนึ่งลูกหาประจำสองคน ห้าคันใช้บรรทุกสัมภาระเต็มเพียบสองคันใช้เป็นเกวียนสำรองและอีกคันหนึ่งซึ่งอยู่หน้าขบวนใช้เป็นเกวียนนั่งโดยสารของคณะนายจ้างบรรทุกเฉพาะสิ่งของจําเป็นที่จะหยิบใช้อย่างปัจจุบันทันด่วนของคนเหล่านั้นเกวียนทั้งหมดเทียมด้วยควายใหญ่ชะการแข็งแรงเคยชินกับการเดินป่าซึ่งได้เลือกสรรแล้วเป็นอย่างดีคนทั้งหมดที่จะร่วมเดินทางไปก็คือคณะนายจ้างสามคน พานพื้นเมืองคนเก่าแก่ของรพินอันเป็นพวกอาสาสมัครสี่คนรวมกับแง่สายหนุ่มชาวดงพระเนจรผู้มาอาสาสมัครใหม่รวมเป็นหพวกลูกหาบคุมเกียนอีก16คนเมื่อรวมทั้งรพินอันเป็นพรานใหญ่ผู้นำทางตลอดจนรับผิดชอบในทุกสิ่งทุกอย่างในการเดินทางมหาวิบากครั้งนี้ก็รวมทั้งสิ้นเป็นจานวน25คนเมื่อเชิฐาดาลินและชัยยัน เตรียมตัวเสร็จและหลงจากเกลียนพักมาก็พบว่าคาราวานเกลียนเหล่านั้นตั้งขบวนกันอย่างเป็นระเบียบเรียอยอยู่แล้วทุกคนยืนประจําอยู่กับหน้าที่ของตนจอมพรานกําลังเดินตรวจตาดูความเรียบร้อยและผููจาสั่งงานอยู่กับคนเหล่านั้นเขาอยู่ในชุดเดินป่าลักษณะเดียวกับที่ทุกคนมองเห็นในวันแรกเป็นเสื้อผ้าหนาตัดแบบรัดกลุ่มและคํานึงถึงการใช้ประโยชน์ได้รอบตัวมากที่สุดโดยไม่ มุ่งหวังในความโก้เกะสวยงามอย่างใดทั้งสิน้นรองเท้าเป็นรองเท้าแบบเดินป่าของตำรวจตะเวนชายแดนหมวกสกราชคาดหนังเสือดาวครอบอยู่บนศีรษะเขาไม่ได้คาดเข็มขัดปืนสั้นแต่มีมีดโบวียาวขนาดแปดนิ้วร้อยติดอยู่กับเข็มขัดอยู่ทางเอวด้านซ้ายยืงไปทางหลังไหลขวาสะพายสา0สิบศูย์หอันเป็นไรเฟิลประจามือเมื่อคณนะนายจ้างของเขาเดินลงมา พรานใหญ่ก็ตรงเข้าไปรับเชษฐากับชายยันอยู่ในชุดเดินป่าทันสมัยอย่างนักราศาสตร์ชาวกรุงทั้งหลายคาดเข็มขัดปืนสั้นขนาดจุด4สแม็กนัมคนรักบอกส่วนดารินไม่ต้องสงสัยขนาดจอมพรานกราสายตาชำเรืองพิงผ่านๆเขาก็อดที่จะต้องงงงันไปเสียไม่ได้นางเอกของเรื่องในภาพยนต์เกี่ยวกับการเดินป่าอย่างไรก็อย่างนั้น หรือจะเรียกว่าเป็นการแสดงแฟชั่นของนางแบบสาวเกี่ยวกับชุดเดินป่าก็ไม่ผิดหม่อมราชวงหญิงคนสวยทั้งงามทั้งเก๋อยู่ในชุดเข้าปา่าตัดเย็บประณีตรัดรูปทรงอย่างเจตนาจะให้เป็นแบบที่สวยงามจริงๆสีเขียวใบไม้ความสมบูรณ์ของวัยและความมีส่วนที่มีทรงอันดีอยู่แล้ว เมื่อเข้ามาเป็นหุ่นของชุดนั้นมันทำให้สายตาใดก็ตามที่เห็นข้าวย่อมจะต้องจ้องตะลึงไปหลอนเป็นคนมีรสนิยมสูงในการแต่งกายเอาเสจีจริงๆแม้กระทั่งเวลาที่จะเดินทางเข้าป่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเข็มขัดสองปืนอันบรรจุเจ้าจุด357แบบซิงเกิลแอคชั่นของหลอนที่คาดเพลยอยู่ครึ่งเอวครึ่งตะโพกหลอนก็ใช้เข็มขัดแบบเวสเทิร์นคือแบบคาดต่าในระดับตะโพก ไม่ใช่คาดร้างชิดเอวเหมือนเชษฐาและชายยันซองปืนก็เป็นแบบชักเร็วมีสายหนังเป็นเข็ม ข, ดขัดคาดรัดติดอยู่กับลำขาเฉี่ยวไปตลอดกายกลมกลืนสวยงามไม่มีทิตฐิอะไรเลยถ้าหากรอนจะเตรียมเข้าหน้ากล้องภาพยนตร์แต่สำหรับการเตรียมออกเดินทางกันจริงๆครั้งนี้ระพินภัยวันเต็มไปด้วยความอ่อนอกอ่อนใจ หล่อนก็ดูเหมือนจะอ่านสายตาของเขาที่จำเรืองผ่านมาบ่อยๆได้ถามมาว่ารำคาญฉันอีกรืสซี่นายพานเปล่าเลยครับโทษคุณหญิงผมกำลังจะชมว่าคุณหญิงสง่างามหรือเกินแต่ก็ไม่กล้าชมอย่าเลยหล่อนร้องปวหัวเราะมีอาการเหมือนจะค้อนฉันอ่านสายตาคุณออกหรอกน่ะคงนึกดินทาอยู่ในใจสินะ ถ้าฉันเป็นคุณฉันจะชอบใจอย่างที่สุดถ้ามีใครสักคนมาแต่งตัวสวยๆให้คุณดูเล่นในขณะที่คุณมองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากความป่าเถื่อนเปล่าเปลี่ยวของธรรมชาติรอบด้าน <c oughs> เอาอีกแล้วว่าน้อยนี่เป็นยังไงแฮะเจอหน้าคุณรพินเป็นต้องชวนทะเลาะทุกทีเราจะออกเดินทางกันอยู่เดี๋ยวนี้แล้วนะชา ย, ยันจู ป, ปากบนพร้อมกับโครงศีรษะพลานใหญ่หัวเราะเบา คุณหญิงอ่านนึกสนุกก็ได้ในการทะเลาะกับผมแต่ผมนะ่าเห็นจะไม่ทะเลาะกับคุณหญิงหรอกครับยอมให้คุณหญิงทะเลาะข้างเดียวตามหน้าที่ของลูกจ้างที่ดีง่าเขาพิจารณาดูเครื่องแต่งกายของหญิงสาวด้วยสายตาสุขใสเป็นประกายยิ้มขันขั น, ขนระบายอยู่ที่ริมฝีปากคุณหญิงเห็นจะเตรียมชุดเดินป่ามาหลายชุดกางังครับอ๋อไม่ต้องมาประชด7วัน7สีเลยไม่มีซ้ํา ดาดินเชิดหน้าบอกถอดหมวกสักกาษของหล่อนออกมาดัดปีกน้อยไปหน่อยครับควรจะเป็น30วัน30สีตลอดทั้งเดือนจะได้ไม่ต้องซ้ำรูกหาบเรามีตั้ง16คนถึงว่าสิเพื่อนหนุ่มเสริมหันไปพยักหน้ากับพระพินปล่อยพระเดชพระคุณเสียคนหนึ่งเถอะพอเราเริ่มเดินทางออกจากหลมช้างเหตุการณ์มันคงจะสอนเขาเอง ระยะ น, นี้ปล่อยให้เจ้าหญิงประพาสป่าในเชิงสำราญอิทิยาบทไปพางพางก่อนข้าทาสบริวารอุปกรณ์บำรุงบำเรอความสุขของเราในตอนนี้ยังพักพร้อมเจ้าหญิงจะทรงชุดแฟนซีสนุกสนานยังไงก็คงจะได้หม่อมราชวงเชษฐถาพี่ชายพูดมาอีกคนพร้อมกับหัวเราะหึๆหึมองดูน้องสาวคนสวยอย่างอ่อนระอาหญิงสาวไม่สนใจหัวเราะเสียงใสแกลงซ้อมชักปืนอย่างรวดเร็วจากซองข้างตะโพกขึ้นมาควงเล่น แล้วพยักหน้าไปที่หมวกของระพินว่าแต่หนังเสือที่คาดหมวกของคุณ น, นั่นเถอะสวยดีนี่ขอชั้นเอามาคาดหมวกของฉันโก็ๆมั่งจะได้ไหมจอมพรานยิ้มพลายรีบถอดแบบหนังเสือที่ติดอยู่กับหมวกเขาออกคว้าหมวกของหญิงสาวไปจากมือของหลอนจัดการคาดผ่านไว้ให้อย่างเรียบร้อยแล้วก้มศรีรษะส่งคืนมาให้เอาเลยครับผมขอมอบให้คุณหญิงด้วยความยินดีและเต็มใจยิง่ง ขอบใจมากหล่อนร้องออกมาและหัวเราะแจม่มใสมองดูหมวกที่คาดหนังเสือดาวของหล่อนซึ่งเขาทำให้อย่างดีอกดีใจแล้วรวบผมบรรจงสวมหมวกไปนั้นเดินไปเปิดหีบเล็กๆบนเกวียนคันหนึ่งขึ้นสองกระจกพี่ชายกับเพื่อนชายพากันถอนใจเฮือกสั่นหัวอยู่ดิกๆผมเกรงใจคุณรพินเสียเหลือเกินที่มีใยน้อยมาเพิ่มภาระให้แก่คณะของเราเชษฐาพูดเบาๆ ตามองอยู่ที่พรานใหญ่ด้วยความรู้สึกแท้จริงตรงกับคำพูดระพินยิ้มให้นายจ้างผู้เป็นสุภาพบุรุษสูงศักดิ์ของเขาอย่างอ่อนโยนพร้อมกับสั่นหน้าปฏิเสธช้าๆโปรดอย่า ก, กังวลอะไรไปเลยครับคุณชายเดี๋ยวนี้ผมมีความรู้สึกอย่างจริงใจว่าคุณหญิงดาลินมีคุณค่าจำเป็นยิ่งสำหรับคณะของเรามากมายทีเดียวเกี่ยวกับความรู้ในด้านแพทย์ของเธอพวกเราจะต้องพึ่งเธอแน่ๆ เรื่องจุกจิกอื่นๆส่วนตัวของเธออันเป็นธรรมชาติสามัญของผู้หญิงความจริงก็ไม่ได้เป็นภาระยุ่งยากอะไรสำหรับพวกเราเลยแต่สำหรับตัวเธอซึ่งเป็นเพียงผู้หญิงคนเดียวในคณะของเราก็คงไม่เหลือบาก่าแรงอะไรนะักในการที่เราจะช่วยกันให้การพิทักษ์คุ้มครองผมคิดว่าถ้าความจำเป็นจริงๆมาถึงคุณหญิงดาลินจะเป็นผู้หญิงที่กล้าหาญบึกบืนทารหดพอที่จะสมบุกสมบันกับเราได้อย่างดีทีเดียว เชษฐายิ้มออกมาอย่างพึงพอใจเขาเป็นคนรักและตามใจน้องสาวไม่ใช่น้อยคำพูดของจอมพรานทำความปลอดโปร่งใจให้แกเขาอย่างยิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วไม่ใช่หรือครับเรียบร้อยทุกอย่างเราจะรอให้ฟ้าสางกวันนี้อีกสักนิดเลิกเดินทางของเรา6นาฬิกาตรงเหลือเวลาอีก15นาทีนายอําพลผู้อำนวยการบริษัทไทไวสร พร้อมทั้งนายประเสริฐผู้จัดการและคนงานในบริษัทที่มักคุ้นกับพระพินได้มาถึงหนองน้ำแห้งก่อนกำหนดออกเดินทางเล็กน้อยพวกนั้นมากันเต็มคันรถจี้บรรทุกใหญ่เป็นการมาคอยส่งและอำนวยพรให้ด้วยอัธยาศัยเมติจิตอันดีทั้งสองฝ่ายต่างทักทายและจับกลุ่มคุยกันอยู่ที่ลานกว้างหน้ากองคาราวานบรรยากาศเต็มไปด้วยความคลึกคื้นอบอุ่นแต่ลึกลงไปในความรู้สึกแท้จริงของฝ่ายมาส่งทุกคน คือความเป็นห่วงเพราะต่างยอมย่อมตระหนักดีอยู่แล้วว่าจุดหมายของการเดินทางของคณะหม่อมราชวงศ์เชิดถาครั้งนี้อยู่ที่อะไรในที่สุดเวลาเดินทางก็มาถึงระพินตโกนสั่งให้คนของเขาทุกคนเตรียมตัวและเขาเป็นคนสุดท้ายที่เข้ามาจับมืออำลานายอำพลผมลาแล้วครับคุณอำพลจอมผ่านกล่าวเพียงสั้นๆขณะที่ยิ้มให้ ผู้อำนวยการบริษัทท่งสัตว์ออกนอกประเทศซึ่งทำงานติดต่ออยู่กับเขามาเป็นเวลานานรวกมือระพินเข้าไปบีบไว้แน่นผู้ได้เสียงต่ำลึกก่อนที่คุณจะจากไปยังขุนข่าวพระศิวะเบื้องหน้านั้นขอให้ผมได้ย้ำขอร้องคุณเป็นครั้งสุดท้ายผมขอฝากคณะของคุณชายเชษฐาไว้กับคุณด้วยระพินไม่มีพรานคนไหนอีกแล้วที่ผมจะไว้วางใจเท่าคุณในการเดินทางครั้งนี้ วางใจเติดครับผมขอปฏิญาณด้วยกิตยศของลูกผู้ชายในอันที่จะนำทางและปกปากพิทักษ์ภัยให้แก่คณะนายจ้างของผมด้วยชีวิตขอให้คุณโชคดีผมหวังอย่างเต็มเปี่ยว่าผมจะได้พบคุณกับคณะทุกคนอีกครั้งไปเถอะระพินพวกเราทุกคนจะภาวนาวิงวอนให้แก่คณะเดินทางของคุณขอบคุณครับรพินภัยวันกล่าวคาอำราทุกคนที่มายืนรอคอยส่งขาจนครบ แล้วก้าวเดินสูบๆออกไปยืนอยู่หน้าเกวียนคันแรกแงนมองดูตะวันรุ่งที่เพิ่งจะโผล่ขอบสีทองสุขใสขึ้นมาทางทิวเขาเชิฐาดารินและชัยยันขึ้นนั่งประจําอยู่บนเกวียนพร้อมลูกหาบและพรานอาสาสมัครทุกคนประจําที่ตามที่ได้กําหนดไว้สายตาของทั้งหมดจับนิ่งอยู่ที่ร่างเพรียวกแกล้งไปทั้งตัวของจอมพรานที่ยืนต่างงานอยู่เบื้องหน้าเป็นเป้าเดียวความเงียบปกคลุมไปชั่วขณะหนึ่ง ไม่มีใครเคลื่อนไหวหรือปริบปากพูดคำใดทั้งสิ้นอึดใจนั้นระพินก็ยกมือขึ้นโบกเป็นสัญญาณพร้อมกับตะโกนสั่งให้เคลื่อนขบวนด้วยภาษาพื้นเมืองกองเกวียนทั้งหมดเริ่มเคลื่อนออกจากที่ตัดเข้าสู่ป่าโปรง่งตามตามการนำของเขาร่างของจอมพรานเดินดุ่มนำไปเบื้องหน้าทิ้งระยะห่างจากเกวียนคันแรกประมาณ30เมตร ลักษณะเดินของเขาดูเบาวเงียบได้จังหวะสม่ำเสมอและเหมือนจะก้าวไปด้วยฝีเท้าปกติแต่เมื่อเทียบกับการเดินของเกวียนจึงสังเกตได้ชัดว่าเขาเดินได้เร็วเกินคาดเพราะเห็นหยุดรอหันกลับมามองคาราวานเกวียนบ่อยๆพวกพรานอาสาสมัครของเขาสี่คนนั้นสองคนเร่งฝีเท้าตามเขาไปโดยทอดระยะห่างเล็กน้อยส่วนอีกสองคนคุมอยู่ท้ายขบวนคณะนายจ้างทั้งสามเพิ่งจะสังเกตเห็นว่า แง่าสายหนุ่มชาวดงนักพเนจรเดินอยู่ชิดแอกเกวียนทางด้านขวาร่างสูงใหญ่ตะงานงามราวกับผุ่นปั้นนั้นอยู่ในชุดกะเลียงพกหัวด้วยผ้าดำไหล่สาพวินเชสเตอร์4440อันเป็นปืนประจำมือคู่ชีพที่ติดตัวมาเขาไม่ได้สูงเสียงพูดจาเล่นหัวกับพวกลูกหาบทั้งหลายซึ่งเดินกันไปก็สนทนากันไปพรางเป็นที่สนุกสนานดืนเิงเหล่านั้น ตาสุสใสเป็นประกายทั้งคู่กราดคมไวไปรอบด้านอย่างตื่นพร้อมด้วยสันท่าชยานเจนไพรอ้าวแง่ท า, ายแกเดินอยู่ตรงนี้เองหรือเช่ดทาร้องทักลงมาจากเกวียนอดีตนายทหารกองโจรกะเลียงยิ้มเห็นฟันขาวครับเจ้านายผู้กองสั่งให้ผมอยู่ใกล้เกวียนคันนี้คอยรับใช้เจ้านายแง่ท า, ายตอบได้ลิ้นบ้านป่าอันเป็นสำเนียงพื้นเมืองทั่วไป รู้ไหมเราจะเดินทางกันอีกนานสักเท่าไหร่ถึงจะถึงจุดหยุดพักและล่าสัตว์เป็นแห่งแรกของเราช่ ย, ยันผู้ตลอดเวลามีอารมณ์คึกคักอยู่กับการล่าสัตว์ถามมาบ้างผมไม่ทราบว่าผู้กองกาหนดไว้เช่นไรแต่ถ้าผมถ่ายไม่ผิดผ่านหุบเขา ข, าข้างหน้านอนเลยไปอีกฟากหนึ่งเป็นทุ่งโลง่งและภูเขาเตีย้ยเตี้ยหลายรูปเรียงผาชุมมากผู้กองอาจให้คณะของท่านทดลองล่าเลียงผาดูเป็นครั้งแรกก่อนก็ได้ เส้นทางเดินของผู้กองจะต้องผ่านทางนั้นอยู่แล้วอีกสักเมื่อไหร่เราถึงจะถึงที่นั่นตะวันบ่ายขณะนี้เรายังไม่ได้เข้าเขตป่าลึกที่พอจะมีสัตว์กะมังดาดินเปรยกว่าสายตาสองข้างทางเกวียนเดินผ่านไปลักษณะของรอนอยู่ในอารมณ์ตื่นเต้นเป็นสุขและสดชื่นอยู่กับธรรมชาติอันเป็นดงเถื่อนรอบด้านเสียงแง่า ย, ายหัวเราะห้าๆอยู่ในลาคอแล้วก็ตอบมาว่า เพียงก้าวแรกที่นายหญิงลงมาจากเรือนพักก็คือป่าลึกแล้วครับพร้อมกับพูดแง่าสายชี้มือไปให้ดูรอยเท้าของขโขงช้างและกองมูลที่ถ่ายไว้กราดเกลื่อนไปทั่วแทบว่าจะไม่มีตารางวาใดเว้นว่างแวดล้อมอยู่รอบทางที่เกวียนเคลื่อนผ่านไปมีทั้งรอยใหม่สดสดร้อนๆชนิดที่เพิ่งจะผ่านไปเมื่อคือนและรอยเก่า เราอาจเดินสวนทางกับเจ้าพวกรอยตีนเหล่านี้เวลาใดก็ได้ฮะนี่ไม่ใช่รอยช้างบ้านหรอกเหรอชายยันลืมตาโตร้องออกมาดังลั่นที่นี่ไม่มีช้างบ้านครับเจ้านายแม้รอยเท้าที่ย่ําไว้ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานีพักสัตว์ของผู้กองก็เป็นรอยช้างป่าทั้งนั้นขณะนี้เราก็อยู่ในดงลึกแล้วสัตว์ทุกชนิดอาจวิ่งผ่านหน้ามาให้เห็นเมื่อไหร่ก็ได้ ตั้งแต่แก้งขึ้นไปจนกระทั่งวัวแดงเอถ้างั้นเราก็มีหวังจะได้ยิงไปในระยะในระหว่างทางนี่นะสิเชษฐาพูดอย่างตื่นเต้นถ้าท่านไม่อยากจะนั่งเบื่อในเกวียนก่อนจะถึงหยุดพักท่านถือปืนลงไปเดินกับผู้กองเถอะครับอาจมีหวังได้ยิงอะไรแน่ๆอย่างน้อยก็กวางปาดโถแล้วก็ไม่บอกแต่แรกด้วยปล่อยให้เรานั่งหงาวอยู่ในเกวียนนี่เอง ไม่เห็นด้วยความอะไรเลยชัยยันจุปากรลั่นหันไปคว้าจุด458หจากราวปืนที่ทำติดไว้กับเกวียนซึ่งตั้งปืนขนาดต่างๆไว้เป็นแถวขึ้นมาขยับลูกเลื่อนตรวจดูกระสุนคุณรพีนคงไม่อยากจะให้เราเดินเหนื่อยก่อนจะถึงที่หยุดพักและทำการล่ากันจริงๆในกำมังถึงไม่ชวนให้เราลงไปเดินด้วยแกกับน้อยนั่ง อ, อยู่บนเกวียนนี่ไปสองคนเถอะฉันขอลงไปเดินกับพรานใหญ่ข้างเราดีกว่า เผื่อจะเจออะไรที่มันตื่นเต้นบ้างว่าแล้วชายยันก็กระโดดลงจากเกวียนพร้อมกับปืนในมือเดี๋ยวรอด้วยฉันไปมั่งสิดาดินร้องมาเร็วปือช่วยจุด270ขึ้นมาบ้างแล้วกระโดดตรงวิ่งตามไปหม่อมราชวงเชืถาพลอยนึกสนุกเพราะขี้เกียจจะทนนั่ง น, งนำคานอยู่คนเดียวในเกวียนจึงหยิบ FN กึ่งอัตโนมัติบรรจุกระสุนลูกสองหนัดขึ้นมาหันไปสั่งแง่สายว่า แงาทายแกคอยคุมเกวียนนี่ไว้ให้ดีนะอย่าให้ใครไปแตะต้องปืนในราวเหล่านี้เป็นอันขาดเราจะเดินล่วงหน้าไปก่อนเงาทายายิ้มยิงฟันรับคำเชิฐถาเพนลงจากเกวียนสาวเท้าตามหลังชยันนับกับดารินไปทั้งสามเดินไปทันระพินผู้เหลียวกลับมาพอดีเขาเบิกตาตื่นตื่นและยิ้มชงนเล็กน้อยที่เห็นคณะนายจ้างทั้งหมดพากันลงจากเกวียนถือปืนเดินเข้ามาสมทบ พวกเราขอเดินไปกับคุณมั่งขี้เกียดนั่งลำคาญอยู่ในเกวียนชยยันว่าขณะที่ทั้งสามเดินเคียงขนานดละพินกลายเป็นแถวเรียงสี่เชิญครับถ้านึกจะสนุกออกกำลังมั่งก็เอาจอมพรานตอบยิ้มยิ้มโครงสาวเท้าคืบหน้าต่อไปได้ยฝีเท้าอันสม่าเสมอเอาเปรียบนี่เล่นเดินอ้าวอานำหน้ า, นามามคนเดียวให้พวกเรานั่งแกวกันอยู่ในเกวียนเหมือนตัวอะไรงั้นแหละ ดาลินพูดขึ้นลอยๆผมต้องการอำนวยความสะดวกสบายให้แก่นายจ้างของผมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับไม่อยากให้ลงมาเดินเหนื่อยเสียปเปล่าในระยะที่เรายังมีอะไรพร้อมเช่นนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้เดินหรอกครับออกจากหล่มช้างแล้วเราก็ต้องเดินกันแน่ๆและเดินกันไม่ไหวทีเดียวตอนนี้ผมก็เลยอยากจะให้ออมแรงเอาไว้ก่อนถึงอย่างไรเราก็ลงมาเดินเคียงบ่าเคียงไหล่กับคุณแล้ว คงไม่ไล่ให้เราขึ้นไปนั่งจ่องอยู่บนเกวียนอีกไม่ใช่เหรอหญิงสาวกล่าวต่อมาเสียงแข็งแข็งอ๋อไม่จำเป็นต้องไล่หรอกครับพอเดินเหนื่อยข้าวก็คงจะกลับขึ้นไปนั่งบนเกวียนเองแหละพรานใหญ่ตอบหน้าตาเฉยเชษฐาชายยันอดหัวเราะออกมาไม่ได้ว่าแล้วไม่มีผิดพอเข้าใกล้ก็เปิดสกรารลวนคุณพินอีกเรานี่มันเกเรเกตุงแท้ๆน้อย คุณรพินอุตสาเดินหนีนำหน้ามาไกลลิฟก็ยังไม่วายตามมาทะเลาะเพื่อนชายบ่นเบาๆหม่อมราชวงศ์หญิงคนสวยเชิดหน้าแบกปืนเดินล้ำหน้าลพินไปประมาณ19สอดสายสายตามองอะไรไปเรื่อยปล่อยให้สามชายเดินสนทนากันเบาๆอยู่เบื้องหลังคุณกำหนดไว้แล้วหรื อ, อยังจะให้พวกเราล่าอะไรกันก่อนในอันดับแรกนี้เชิดถาม ผมคิดว่าจะให้เริ่มตั้งแต่เกมเบาๆไปก่อนเป็นไงครับเป็นการซ้อมมือรองปืนไปด้วยก่อนที่จะไปถึงเกมใหญ่และเสี่ยงอันตรายเพิ่มขึ้นประมาณบ่ายเราจะถึงเขาโล้นที่นั่นพอจะหาเลียงผาได้คนของเรามีมามากและทุกคนก็ชํานาญดีอยู่แล้วผมจะให้เขาไล่ลาวเลียงผาให้พวกคุณดักยิงและเราจะหยุดพักที่นั่นในคืนนี้วิเศษสุด สำหรับผมแล้วก็ในการยิงสัตว์กันแล้วไม่มีอะไรสนุกเท่าวิธีไล่ราวมันเป็นบ้าเลยชายันร้องออกมาอย่างขนองแต่แหมแงซ า, ายทายใจคุณไม่ผิดเลยสักนิดเดียวเอ๊ะหมายความว่ายังไงกันครับเชฐดากาหัวเราะตอบแทนชายันมาว่าแงซ า, ายบอกกับพวกเราเมื่อกี้นี้เองว่าประมาณบ่ายๆเราจะถึงภูเขาเตี้ยๆทีวนหนึ่ง ที่นั่นเลียงผาชุมแงซ า, ายบอกว่าคุณอาจให้เราล่าเลียงผากันที่นั่นซึ่งมันก็ตรงกับที่คุณเจตนาไว้จอมพรานขมวดคิ้วนิดหนึ่งยิ้มบางๆปรากฏขึ้นที่ริมฝีปากเขาอืมไอ้เสือนี่มันมีอะไรลึกรับยังไงพี่กนพรานของผมที่เดินป่าร่วมกับผมมาเป็นปีๆยังทายไม่ถูกว่าผมมีจุดประสงค์อะไรอยู่ที่ไหนในเวลาผมออกเดินป่าแต่เจ้าแงซ า, ายกับรู้ทัน หมอคงจะสังเกตเห็นทิศทางการบ่ายเข็มของผมและหมอก็จะต้องเชี่ยวชาญชำนาญป่าในแถบนี้มาอย่างปลุกโปรงไม่ได้ไปกว่าผมทีเดียวคุณไม่ยักบอกให้เรารู้ตัวล่วงหน้าสักนิดว่าพอเราเริ่มต้นออกเดินทางเราก็อยู่ใจกลางของดงลึกแล้วทีแรกพวกเราทั้งหมดหลงคิดว่าเรายังเดินกันอยู่ในละแวกหมู่บ้านแง่ทรายบอกอีกเชิถาหัวเราะพยักหน้า ก็ถูกของแงสายแล้วครับความจริงสถานีกักสัตว์และบ้านพักหนองน้ำแห้งมันก็คือใจกลางดงนั่นเองเมื่อสามปีก่อนสมัยที่ผมจะมาตั้งเป็นบ้านพักถาวรขึ้นได้ผมก็ต้องรบกับช้างอยู่นานทีเดียวทุกวันนี้ก็เหมือนกันเผลอไม่ได้วันสองวันเสือมันร้องอยู่ใกล้ๆในเวลากลางคืนคุณอัมพลเพิ่งจะตัดทางให้รถจี๊ปวิ่งเข้ามาถึงได้เมื่อไม่กี่เดือนมานี้เอง ก่อนหน้านั้นผมต้องใช้เกวียนบรรทุกสัตว์ออกไปเขตป่าแถบนี้ว่าอันที่จริงแล้วก็เรียกว่าเป็นป่ามนะรณะพานถ้าไม่ชำนาญจริงๆแล้วก็จะไม่กล้าออกเดินอย่างเด็ดขาดแต่ไหนแต่ไรมาก็มีผมและคนของผมเพียงเจ็ดเปดคนเท่านั้นที่ท่องเที่ยวอยู่พานต่างถิ่นแปลกหน้าจะไม่แผ้วพานเข้ามาเลยหรือถ้าจะเข้ามาก็ต้องอาศัยพวกเราที่เรียกว่าป่ามรณนะก็คือ แหล่งน้ำป่าบริเวณนี้กันดานน้ำอย่างที่สุดถ้าไม่ชำนาญรู้ตาแหน่งที่ตั้งของน้องน้ำแล้วเดินเจ็ดวันเจ็ดคืนก็ไม่พบน้ำมีหวังอดน้ำตายเพราะพวกเดินป่าจะเอาน้ำติดตัวไปด้วยอย่างเก่งที่สุดก็ใช้ได้ไม่เกินสามวันเฉพาะดื่มอย่างเดียวผมสงสัยว่าคนใช้บรรดาศักด์ของเราคนนี้คงจะซอกซอนไปปลุกทีเดียวในละแวกนี้ แต่ผมหรือคนของผมก็ไม่เคยเจอหมอนี่สักทีในระหว่างเดินป่าแถบนี้มาเป็นเวลานานผมพบเขาครั้งแรกและครั้งสุดท้ายก็ตอนสมัยที่ผมยังเป็นตำรวจชายแดนในคราวโน้นอย่างที่เล่าให้ฟังแล้วจากนั้นก็ไม่ได้พบอีกจนกระทั่งเขาเข้ามาสมัครเป็นคนใช้ของเราชั่วโมงเศษผ่านไปป่าที่เคยโปร่งโล่งแดงโกรนเริ่มจะหนานแน่นเขียวชอุ่มขึ้นเป็นลาดับ และพินบอกให้ทุกคนทราบว่ากำลังจะเข้าเขตหุบแห่งหนึ่งตลอดเวลาตั้งแต่ออกเดินทางมานอกจากรอยเท้าช้างที่แทบจะหลีกไม่พ้นแล้วก็ไม่ปรากฏร่องรอยของสัตว์ชนิดใดแผ่ผ่านไม้เห็นทั้งสิน้นนอกจากเหยี่ยวดงตัวใหญ่ที่เกาะเด่นอยู่บนยอดกระลาซึ่งหม่อมราชวงศ์ดารินใช้จุดสองติดศูนย์กล้องที่ถืออยู่ในมือสองล่วงลงมาด้วยความมันมือ คณะนายจ้างทั้งสามเริ่มจะดื่มน้ำด้วยความกระหายเพราะอากาศที่ทวีความระอุอบอ้าวขึ้นทุกขณะผสมกับความเหนื่อยจากการเดินส่วนรัพยินภัยวันยังเฉยเฉยไม่รู้สึกอะไรเลยฝีเท้าทุกก้าวย่างคงได้ระดับอยู่เหมือนเดิมในขณะที่ทุกคนเริ่มรู้สึกในการล้าแต่ยังไม่มีใครคิดจะกลับไปนั่งเกวียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหม่อมราชวงศ์หญิงดาลิน ภายหลังจากหยุดขอน้ำดื่มจากพรานของละพินแล้วก็เออออกเดินนำหน้าเหมือนจะเป็นผู้นำต่อไปผิวแก้มทั้งสองของหล่อนแดงปรังเหงือกเกาะพราวไปตลอดทั้งใบหน้าไม่เห็นจะพบอะไรสักหน่อยเลยนอกจากไอเหี่ยวทุเรศตัวนั้นหล่อนปนจอมพรานยิ้มยิ้มอยู่ในลักษณะเดิมของเขาลึกเข้าไปสู่บริเวณหบและเริ่มต้นเดินโดยอาศัยด้าน โดยอาศัยด่านช้างสองฝ้าทางเป็นไม้ใหญ่ทึบระพินปด3006์ออกจากไหลที่สะพายอยู่สูงมาถือไว้ในมือเชษฐาและชายยันสังเกตเห็นก็ปฏิบัติตามในทันทีนั้นปลดปืนจากการสะพายลงมาถือไว้บ้างจอมพานกระซิบกับเชษฐาให้เรียกหญิงสาวลงมาเดินรวมกลุ่มเขานึกว่าหล่อนจะดื้อเหมือนเคยแต่ปรากฏว่าดารินปฏิบัติตามโดยดีทำไม จุดสองเจที่ฉันถืออยู่นี่มันเล็กเกินไปใช่ไหมสําหรับการเดินไปข้างหน้าหล่อนถามเปล่าหรอกครับคุณหญิงเดินเร็วเกินไปผมกลัวว่าพวกเราจะเดินตามไม่ทันแล้วคุณหญิงก็จะทิ้งให้เราหลงทางเสียเป็นคําตอบเรียบๆหน้าตาเฉยตามเคยหล่อนค้อนขวับแล้วก็ไม่พูดอะไรอีกเดินอยู่ชิดพี่ชายระพินบุ้ยป่าให้คณะนายจ้างดูที่กิ่งตะแบกต้นหนึ่งขึ้นอยู่ข้างๆทาง เป็นกิ่งขนาดท่อนขามีรอยหักรูลงมาโดยห้อยติดเปลือกอยู่นิดเดียวลำต้นเต็มไปด้วยรอยเล็บจิกลึกราวกับตอกด้วยสิวเขาอธิบายให้ทราบว่านั่นเป็นการลองเคี่ยวด้วยความขนองของเจ้าหมีควายมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่อึดใจนี้เองสังเกตดูจากรอยที่ยังสดอยู่เมื่อผ่านไปได้อีกสองก้าวก็ชี้ให้ดูรอยกระทิงที่ตัดทางข้ามจากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวา เมื่อคืนนี้เองโทนเสียด้วยเรามีหวังจะพบอะไรระหว่างที่เดินไปไหมนี่เชษฐาถามขึ้นเบาๆอาจจะครับทั้งไอตัวที่เราต้องการพบและที่เราไม่ต้องการพบสิ่งสำคัญที่สุดก็คืออย่าเดินคุยกันเอะอนะนักยังไม่ทันจะขาดเสียงของจอมพรานก็มีเสียงตะโกนเอะอะดังมาจากกองเกวียนท้ายขบวน ทั้งหมดหยุดชะงักมีทันทีนั้นรพินตโกนถามไปด้วยภาษาพื้นเมืองโต้อตอบกันอยู่ครู่เขาก็หันมาทางคณะนายจ้างที่พากันยืนหน้าตื่นอะไรเกิดอะไรขึ้นคุณลพินไม่มีอะไรหรอกครับเสยกับเกิดที่เดินคุมอยู่ทางท้ายขบวนเห็นเสือดําวิ่งผ่านหลังไปเขาบอกว่าพอเขาเดินค้อยหลังมันก็เพ่นข้ามตัดทางยิงไม่ทันเขาตอบพร้อมกับหัเราะเบาๆออกเดินนําต่อไป เชษฐายิ้มอยู่ในอาการเรียบเรียบเป็นปกติไม่ตื่นเต้นอะไรนักแต่ชายยานผิวปากหวือเปลี่ยนลักษณะการถือปืนมาอยู่ในท่าเตรียมพร้อมส่วนดารินแทนที่จะถือปืนเหมือนแต่แรกหล่อนกลับส่งไปให้บุญคำพรานของลพินช่วยสะพายให้หล่อนอาจเริ่มรู้สึกหนักเพราะเดินมาไกลพอสมควรและคงเบื่อที่รู้สึกว่าไม่พบอะไรมาเป็นเป้าเลยคงเดินตัวเปล่าโดยมีปืนสั้นที่ติดอยู่กับซองข้างตะโพกเท่านั้น หนทางอันเป็นด่านช้างราบโรงกว้างใหญ่ลาวกับใครมาตัดไว้เป็นถนนเป็นรอนคลื่นสูงต่ำสลับกันสามารถมองในระดับราบไปเบื้องหน้าได้ไม่เกินห้เมตรเพราะความสลับเป็นรอนของพื้นที่บางครั้งก็ต่ายขึ้นสูงและบางครั้งก็ลาดเทลึกลงไปขวา ม, มือเป็นเหวลึกซ้ายมือเป็นเนินของตีนเขาใหญ่รกชัดไปด้วยป่าทึบแสงตะวันใกล้เที่ยงเริ่มจะผ่อนความร้อนแรงลง เมื่อเข้าอยู่ในเขตหุบก็พอจะมองเห็นฝูงนกเงือกบินโฉบเป็นระยะนานๆครั้งพวกชนีหรือฝูงข้างก็ส่งเสียงเกลียวกล่าวอยู่บนยอดไม้สูงพอเห็นพวกนกเงือกและฝูงข้างหญิงสาว ก, ก็เกิดคันมือขึ้นมาอีกจัดแจงจะขอปืนจากบุญคำที่หล่อนฝากให้สะพายไว้แต่พี่ชายสกิดห้ามเสียก่อนโดยให้เหตุผลว่าถ้าญิงข้างหรือนกเสียก่อนป่าอาจแตกและโอกาสที่จะพบสัดใหญ่ก็จะไม่มี หล่อนจึงชะงักตายขึ้นทางราสูอีกครั้งหนึ่งท่านใดนั้นเองเงาสีเทาของอะไรชนิดหนึ่งก็เผ่นแผลวออกมาจากป่าด้านขวาระยะห่างเพียงไม่เกิน40สเมตรสิ่งที่เห็นเด่นชัดที่สุดก็คือเขางามอันแตกแยกออกเป็นกิ่งทุกคนมองเห็นพร้อมกันและตะลึงไปชั่วเซี่ยวของวินาทีที่ไม่คาดฝันมาร่วงหน้ายกเว้นรพินคนเดียวขณะนั้นเขาเดินนาอยู่เบื้องหน้าของทุกคน จอมพรานซุดตัวรงนั่งในพริบตานั้นเพื่อหลบทางปืนของคนเบื้องหลังร้องออกมาเบาๆเร็วปือยิงสิครับยิง